อย่าอยู่ด้วยความผ่้เล่นกันคนที่เป็นในขณะที่เป็นทุก่อนแหะอย่ากให้อยู่อยาให้ภาวนาอย่าให้มีความก้าวหน้าแต่พยายามตั้งกนให้ชอาเหนือมูอเราต้องหมดนะพระทั้งเลนอย่าให้ตั้งตนให้ชอาตั้งตนให้ถูกต้องทำบุญให้ถูกต้องอย่าไปตั้งคนไว้ผิดตั้งคนไว้ผิดก็คือผู้เล่นกันนี่ตั้งคนไว้ผิดละต้องเป็นเลียงลูขอ ของโทษเจ้าของต้องจับผิดเจ้าของต้องสั่งพ่อให้กับเจ้าของต้องทําความสงสัยกับเจ้าของถ้าเราไปเพ่งในคนอื่นผู้ใสาคอื่นผิดหมดไม่ว่าเราหรือว่านั่นผิดหมดเลยการปฏิบัติมันเป็นการปฏิบัติเจ้าของเจ้าของเท่านั้นที่จะสามารถบังคับตัวเองได้เราไปคิดบังคับคนอื่นบังคับไม่ได้ทั้งนั้น แแต่เราพูดพูดก็เมนกันเราพูดไปเพื่อเป็นเครื่องกระตุกเป็นเครื่องกระตุ้นเป็นเครื่องบอกเป็นเครื่องเตือนไปเราเอาคับกเลสไปเราอาประคับในไม่ได้ม่ใช่เพราอย่างที่การภานาเราองปคับกันมไดเราองคับในใจของเราเราเอาครรมะในใจเัาเอาธรรในใจของเราที่เกียรเรารู้ว่าันทิเกียรเราต้องขใหมขยเข้าไปปรุมเข้าไปลองเข้าไป มีเข้าไปบังคับเข้าไปปลกอกบีบบังคับปลอกบ้างบังคับบ้านรอองอยู่ตามสบายๆนั่นรออยู่ตามสบายแต่จะไม่ไม่ประดไม่ปลอ่ปลอยความและไม่ระวังเมืมีเราบีาไปไปเคลียดมันคลั่งมันข็งมันเครียดทนกลายอารมณ์ตกับสิ่งน้นตะกับสิ่นี้ ่อนคลายไปกับตาแต่ไม่ผ่อนจิตนะผ่อนคลายไปกับหูโดนนู่นโดนนี่ฟัมโน้ตฟังนี้แต่ไม่ผ่นะอสติไม่เสีเยทามากจะเกิดตอนที่เราหลับนะหลับแล้วสิบุตรจะกระดับโดยที่เราไม่เอาอารมา์เลยมันกับมมันมักจะมีธรรมะผลขึ้นมามันมักจะมีข้อดี่มีผขึ้นมาแทรกเข้ามาเนาะ มันเป็นนั่นจริงบางทีเราไปข้าเคร่งแต่เราก็อย่าไปจะเหมืความข้ามเคร่งของทับในช่วงทีเราข้ามเคร่งเราก็ขามเคเร่กับไปทุกคราวมันกลมแล้วกาไม่ค่อยติดข้อไหนแค่ในแบบการเดินของเราเนี่ยดีกว่ารู้สุกเมื่อตประกอกับงานที่เราทาเลยเพราะเราเราน า, าเป็นหมูที่มันมีหมูช่วยบังคับในทรวงก็ดีนะ โอกาสที่เรกระปล่อยเรืเลยตัวมันก็มีเพีส่วนน้อยจาก น, นั้นแล้วเราก็มีกะหันหน้ามาหันหน้ามาชนเจออ้าข้งเองหันหน้ามา ช, ชนจิตมันชนสัมผัสชั้นหนึ่งมาชนจิตของเจ้ของเองเอาความเพียรไปสะพาน นีปัจจุบันใกล้ยันนี้ใครเราว่ามันจะล่วง่านไปแล้วเท่าที่ว่าปัจจุบันใกลนี้ปัจจุบันใกล้อนาก็ปัจจุบันใกล้อนาคตมันคิดไปแล้วที่รู้ตามันหรือมันมันล่วงไปแล้วมันรู้ตามันแต่เราเราปัจจุบันตรงกลางเนี่เอาปัจจุบันจมท้องหน้าเอาปัจจุบันอนาคนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เนี่ยขณะปัจจุบันเนี่ยเป็นขณะปัจจุบันที่เราต้องการที่สุด ให้เรามีสติระลึรู้ปัจจุบันพันด่วนจำพาะหน้าเขาเรียกว่าปัจจุบันจำเพาะหน้าปัจจุบันยังนั้นอย่างปัจจุบันใกล้ไี้ปัจจุบันใกล้ได้คอยรับรู้มันคิดล่วงหน้าไปแล้วเราถึงมรุตตามมันหรือไม่ไอ้เจ้าที่มันหลอมขึ้นมาแล้วมันใกล้จะค้นผ่านญาีิเข้าไปแล้วเราเข้ามรุตตามมันนี่คือไม่ทันเขาเรียกว่ายังไม่ทันยังไม่ทัน มันเป็นปัจจุบันจริงอก็ว่ายังไม่ใช่ท่านเอาจฉพาะหน้าที่โผล่มาเฉพาะหน้าความเก็ียดความปวดคดานมันมัดเราดีทีเดียวนะจิตขวงเราดูมันไม่โตขดั้นเหมือนถ้าเรากลั้นลมหาใจเรากล้าหลดแล้วเรากล้ลงหายใจแล้วก็นึกไปนู้นเลื่นไปนู้นเลื่อนไปนู้นเลื่นไปเรื่อยๆ้ไหเรากลั้นหายใจเรากลั้ลงหายใจ เราพยายามนึกไปยางหนึ่งโดยที่ไม่ไม่มาอยู่ในประมัตใจองทำไห้มันทำไได้หรอกโบราณท่านอยากให้ของขลังเนี่ยท่านตั้งลมหายใจนะท่านสีท่านเป่าท่านหะไรท่านกลั้มหายใจแม้แต่สมาธิชั่วอึดใจเดียวตอนนั้นน่ก็ยังถือว่าได้ประโยชน์ด้ความขลังเขาว่านะได้ความขลังได้ความขลังลองดูบ้างก็ไดลองด จิตมันเอาหยู่ยากเหลือเกินไปนี้มันจับยากไปนี้ม่จับยากเหมือนมันไม่มีแง่มีมงมีอะไรที่จะจับมันได้เลยเนื่นเดี๋ยวว่าสติของเราไม่ยึดองมันไม่ชัดพื้นฐานความแน่นหนาท่าวรรจิตมันไม่มีมันไม่ดีบางครั้งทรมานยากเหลือเกินกลั้นลมหาใจเราดูเราไม่ต้องเรียกแบบมันอยู่มันกลับมาความรู้สึกมันไม่อยู่เรนั้นมันอยู่กับลมหายใจเราออกนะ เราก็ให้มันนี่มันอยู่แคนั้นเราหายใจมันก็สองสามขณะกิดออกเริ่มรู้สึกว่าหายใจเรอเราเริ่มรู้สึกว่าทุกขเวทนาเกิดแล้วแล้วมันเป็นจิตกระตุกสติขึ้นมาได้เป็นอย่างนี้้องทำดู ก, กับทุกขเวทนาทุกขเวทนามันต้องหมดมันต้องหมดมันต้องทสติมันก็ต้องจอดอยู่นี้ สติอยู่ตรงไหนคือจิตที่ชัดเจนอยู่ตรงนั้นสติอยู่ตรงไหนคือจิตที่ชัดเจนตรงนั้นเพราะสติมันเกิดที่จากจิตจิตคือผู้รู้สติคือรู้ปัจจุบันจําพาะหน้าถ้าเรารู้ชัดตรงไหนก็นั่นแหละรู้ชัดตรงไหนรู้ชัดตรงไหนสติเราก็อยู่ตรงนั้นจิตเราก็อยู่ตรงนั้นแหละ มันไม่ไปไหนเมื่อเราภาวนะาคำว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเราทําความรู้สึกอยู่เฉพาะกับคำว่าพุโทโธคํานดำริคำว่าพุโทโธไปอยู่ในนั้นจะติดไปอยู่ในนั้นจิตก็อยู่ในนั้นตนนนนนนรงนั้นมันเกิดขึ้นจากจอีกเดียวแต่ว่ามันมีไว้ธีการมักเกี่ยวข้องหรือมันมีก็เรียกว่าดำริความดำริก็คือจิตอะไรที่มั น, ม น, น, น, มนดำริ มันนิ่งมันนิ่มันมันคิดประกอบกับความรู้สึกสติสติมันชัดพอเราพูดถึงสติเราก็อยากเีสัมปชัญญะเกิดไสัมปชัญญะคือรู้ตัวยอมพรอในขณะนี้พร้อมตอนนี้เดยสติสัมปชัญญะหลักธรรมะสองข้อเราเจ้าใจ้อหนแล้วเราดูว่าที่ทำมาที่ใจขรงเราเรามีสติความมั่นคได้ แล้วไม่ใช่ตอนไหนเข้าไหนนั่นละจิตชัดตรงนั้นตอนนั้นนะแล้วก็มีความรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวว่ารู้ตัวว่าจิต pues มันอยู่รู้ตัวว่าสติอันรู้ตัวว่าจ pues ิตมันอยู่มันไม่ไปไหนในเมื่อมันอยู่อย่างนี้แล้วมันจะมันจะไปแตกไปทิ่ไหนไหนถ้ามันแตกไปที่อื่นมันก็ต้องเถยดตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจับแบบนี้ได้เราไม่จำเป็นจะต้องไปตึกา สอนให้ตามจับจิตสอนตามรู้ทันจิตมันพูดง่ายแต่มันทันทาายากมากเพราะจิตมันเป็นของละเอียดก่อนครูใบกานทีดด่คือหลักการ ท, งทางเลยพราะอย่างู้มันท่านสอนให้ใบจบกัากับโวยทุกถู ก, ก, ก so. แล้วก็ลมตามด้งลงมนใจเข้าลงมันใจบอกอันนี้คือหลัก กระบวนารนั okay. so ้นชัดเจนเลยท่านทำมีมีผลปรากฏตั้งแต่ตามสุดสูงสุดโดยเฉาอย่าลูกตาเราตั้งใจมานีแล้วเราไปดีวิเดียวิสวารยาทันตามจับกิตตามรู้จิตตามจับจิตเอาลองตามรู้รู้ลองตามรู้ตามไปตามมาพูดไปพูดมาเอ้าถ้าจับัญแการที่ให้อยู่ิไม่มีูนาะธรรม หาวิหารให้มันอยู่หาวิหารให้มันอยู่คือก็ค้อเอาพุทโธกำกับมาไว้จำแนกไปนั่นแหละก็ท่านไหวไว้จำติราศีกกำกับ้วจิตมันจะไปไหน้ามันไปแล้วมันเผลอบาทีมันไปไหนมา้วกมันไปตามอะไรมันทันจิตมันเป็นของะเอียดต่อเราจับจับกายลงหายใจเข้าลงหายใจออกมาถึกายมัเป็นของอยา ง่ายมันทาความธุรกิจไดงายจับได้งา่ดดงายกันถ้าแบบจิตที่มันละเอี ย, ออยอดรอบนี้เรไตามจับมาดูทุกถามนะครับจับตรงไหนก็ตามจับมา จำเรื่องสมาธิสมาธิความรู้รู้ตัวเลยแล้วสมาใจได้อยู่ใชไ่ไหมนั่น น, น่มันเป็นการทดสอบกานตัวอยู่ให้พร้อมอยู่อย่างนี้แล้วจิตมันจะมีช่องเล็กๆไปไหนะในวัติมันก็เป็นอาการของจิตสติขั้นเยาวาเชี่ยวตัศิมันเกิดขึ้นจากจิตเตี้ยสติมันเป็นอาการของิมันเกิดขึ้นจากจิตแล้ตัวเจปีตเข้ามาพุททอพุทธทอแล้คือจิตมันก็จะเี่ย จิตมันก็ว่อยนับงพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนแล้วเราเข้ามากำกับเป็นลมและใจเข้าลงพันจออกมันเป็นจังหวะที่หมาะหมาะให้ปุจมันเป็นจังหวะที่ยาวกำกับก็บกบได้แต่ถ้าใครไม่ถนัดถนัดถ้าเขาอยู่กับคระ่าพุโทโธอย่างเดียวก็ได้พุโทโธทโธพุทโธพุทโธพุทโธรู้สึกติดแนบทุกระยงไม่กลับความรู้สึก หรือมันหายใจเข้าพุโทโธหายใจออกพุโทโธยี้กนไดใกรไครถนัดเนี่ยแต่ว่าที่สบายที่สุดมันกบกล่องเหมือนกับใบเปลืกูนี่ยเราไปสบายปุ้ ย, ปยไปเลยมออนนันชูกระหนดพุดตามด้ลมหายใจเข้ า, าพุทลมหายใจออกพุโทโธพุโทโธ ว่าไปว่าไปว่าไปวันเหอแต่ก็ไม่ได้ต่อนใบอกมันไม่ว่าพุธจะางมันนแต่มันไม่ไปไหนมันอยู่นี่มันงบอกูมนี่หรอสงบจะไม่มีเรารก็รู้ละเอียดเลยเพราะว่ผลนี้มันเข้าน่ามันก็เริ่มเอียดเียดลอียดลอดงเขไปเอีย้ไปละอ้อีเไปพุทธก็มีรอไมเข้าออกก็ม มีความรู้ึกโล้มันครูต uh> ัวทั่วพร้อมย้อยมาดูมันก็มันสว่างสว่างมันครอบความสว่างสว่างความมีสติดูไปอีกทีเหมือนกับมันมีแสงสว่างสว่างสว่างผิดมันไม่รู้มันไม่รู้มันสว่างข้างในดูนี้มันสว่างเหมือนแสงตะเกียงใช่ไหมคิดมันสว่างสว่สว่ให้สติสว่างด้ปัญญาถ้าใครเห็นว่าสว่างเหมือนตะเกียงตะเกียงมันก็จะเป็นปกี้ แสงหวา่างก็ยังเป็นปู ก, กปันีีสว่างสว ก, กางจะแฝงไปงด้วยอะไรระดับนะไดงที่มืดมนถ้าเป็นแสงเป็นสีเป็นอะไรที่มาเป็นโรูปนนีใช่ไหมไนะมันฟัางายากอยู่นะถ้าปฏิบัติทำให้รปรากฏเฉพาะที่ตัวของเราเนี่ยเราจะได้พูดชาติเกียนลงไปทีเทียวมาคนก่าถูกมาคนก็อผิดเราเข้าไปรู้เข้าไป้ใจเข้าไปดี มานมีลูกสิษกับใายมาเห็นกันสีอะไรเสดอไรเไม่ใช่เสดงันต้องเสดทีไม่ใช่เสที่ต้องเสดงั้นแหละมันก็นเหตุขัดแย้งกันถ้าสิ่งเหล่านั้นคือรูปปันนีดนิดที่เป็นดวงเป็นสว่างเป็นอะไรมันสว่างไงสว่าง็ิสติสว่าป็นสัาสว่างวิปัญญาสว่างวิาระชีวิตความสงบสว่างนี้ทำให้เเข้าความสงบมันก็ปรากฏที่ตัวเรา เราทำสิ่งการทาแต่ผิดทำใครทำ้เลยเก่งมากทีเดียวเลยทำแต่ิดแม้แต่การพิจารณาจิตในจิตตานุปัตนนการพิจารณาจิตนะในจิตตานุปัตนนัยท่านให้พิจารณากายไม่ผิดนะท่านไม่ให้พิจารณาตรงจิตเนี่ยจิตมีราคะราคะมันมีมันมีผิดมีความกำหนัดผิดท่านรู้ว่ามีราค มีโทรศัพท์ให้รู les, ้มีโทรศัพท์โทรศัพท์ยัอยู่ใา้รู้ว่าโทรศัพท์ัอยู่โทรศัพท์หายไปให้รู้ว่าโทรศัพท์หายไปจิมีราคะจิตดีใจถ้าใครรู้ว่าจิตดีใจดีใจต้อยู่ได้ดีใจตั้รู้ได้ีใจหมดความีใจให้รู้ว่าหมดจิตเสียใจในรู้เสีใจจิตฟุง่านรู้ฟุ้งจิตสงให้รู้จิตสงบให้รู้วการของมัน ก็มสุกบทงก็นนจดจอมีสติปัญาไย้ใช้สติให้ถูเราพูดม่ายว่าสติคือผู้รู้ตัวสติคือตัวที่ดึงออกมาให้เห็นชัดว่ารู้เลือรู้ชัดไม่ใช่รู้อย่างเรื่งเรื่รนลลาย เครื่องตัวมันมีความมันมีความสว่างเวาไว้ตัวก็เรียว่าชาพารโอชาพระโอแล้วว่าความสว่างความเครื่อตัวสติคือความเป็นร่างกายมันมีชาพระมันมีความเครื่องตัวของมันมันมีความสว่างเอาไว้ตัวของมันสติคือความเป็นร่ายคือมันรู้ชัดเราพูดไปง่ายๆแบบคือที่รู้ที่เห็นชัดที่สุดเพราะนั้น เราพยายามาราตัวเห้เห็นชัดที่สุดเท่าไหร่ที่สุทีสติศสติโดยหลักทั่วไปที่เป็นสมมาสติน่ะท่านหมายถึงสติมหาิประธานเราพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมการเวทนาจิธรรมอันนี้พระเจ้าสติกขั้วสูงสติขั้วสูงก็คือสติมหาสติประธานนั่นสติขั้สูง มันไม่ใช่สติมะยวาวสติสาวมันที่เรามีอยู่เป็นจู๋ทำนท้องทานี่ทํททาในธรรมดาธรรดาการชั้นแยกออกมาเพื่อให้ให้เราได้เชัดขึ้นพิจารณากายก็พิจาราแจกแยกการอาการสามสิบสองพิจารณาเป็นธาตุินธาตน้ำธาตุลมธาตไปหรพิจารณาในปฏิปูลโฉคร้อปัสผะสุพันมีคือพิจารณา ก, การาพิจารณาลมห า, า, า, า, ายใเข้าลมห า, ายใจออก เลมั่นใจนี่เป็นการนะลมั่นใจพิจารณาเวทนาพิจารณาเวทนาที่คิอพิจารณาทุกเวทนาของการทุกเวทนาของใจทุกเวทนาของใจเี่ทำใหเห็นทั้งเราคนใจทุกเวทนาของการทุกเวทนาของการที่มันชัดเนื่องจาว่ามันเป็นอารมณ์ที่จิตมันมีชอบมันจะไปพอมันมีความรู้ความความเก็บความ่วนมันก็พยายามไป ด้วยเห็นที่ปิดปัดนี่เนี่ยถ้าหากเราไม่มีสติชัดเจนแล้วก็รู้เท่ากันแล้วก็จับ ว, ว่าเป็นกลางสับว่าสติเป็นผู้หลงจับว่าเป็นตัวกลางเป็นผู้ห มันเกิดเมืเ่อตอนที่ิตมันก็โผล่ตัวนิดละถ้ามันโผล่มาเราก็รู้ทันนอกจากเราเผลอเราเผลอแล้วมันโผล่นั่นแหะไม่ทันแล้วถ้าเป็นปัจจุบันก็เป็นปัจจุบันใกล้จิตแล้วไม่ชัดไม่ชัดก็คือไม่ไม่เจ็บไม่แก่เพาะว่าตอนแรกกไม่ขังต่นน า, า น, นั้นจัดปกติสมุทัยตัวนั้นจัดสมองระงับชักไ ป, ไปมันเกิดส ม, มอไม่ได้ มันไม่คาดมันไม่ชัดเจนมันไม่เข้าใจโผล่มาเฉพาะได้เพราะเราโผลมาแล้วรูปมันก็เลื่อนไปมันเลื่อนไปมันเลื่อนไปมันยังไม่ยังไม่หมดปิกหมดเรียดหมดอากับปิริยาาการความคึกขนองหรือพิษสงของกิเลสมที่มันมีอยู่ในจิตเราไม่ต้องเจ้าดมมันก็ได้ไม่ต้องเจ้าอมมันถ้าได้มาให้มาพิจารณากายเนื่องจากเราลูกหนุนกาย ที่มันโรว่มามันโผลมาเพื่อที่จะมายึดคายเนี่ยพระมันเป็นเจ้าของมันเป็นเจ้าของเจ้าของกายพอการเรื่มเจ็บปวแตัวเจ้าของมันนั้นของมันจะเริ่มโผล่เริ่มโผลนะครับมาทับของกลางของมันของกลางของมันคือโจรมันโคร่โคร่มารับของกลางของมันถ้าเราจะเที่ยงมันกว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ทีพรับสารไปดูคอยพิจารณาเรียนรับผล เดี๋ยวเดี๋ยวจอลงโผล่มารับของกลางนะในัณที่เราก็มังจัดจ่อพิจารณาดูจอเป็นสมไทัยนะจอในนี้คือกิเลสเลยคืออัตตาตัวตนที่มันยึดถือว่าเป็นตาเป็นตัวเป็นตนมันยึดถือว่าเป็นมันมันยึดถือว่าเป็นของมันจะโผล่มรับมันคือตัว่ามันเป็นจาของจ้ของโผล่ ที่เรากำมันจับจ่อมันก็จะโผ่มาเพื่อจมามาครัอ่ะเข้ามันเข้ามัน่ะถ้าเราเปิมันม่ะมันลมาแล้วมันครับอ่ะว่าเข้ามันอ้เราอู้เรี่ยเราปวดเราคคลิปคนั่นเปลี่ยนเียนนั่นมีความีความทีมันก็มีมันกงมีอยูงตรงนี้ตรงนี้แต่เราพยายามาควาเข้าใจให้ชัดเจนก็แล้วกันคำศัพิ์ กับจิตกับสมาธิยันใหญ่กับอารมณ์ของกรรมฐานที่เราเอามาตั้งกับจิตพยายามทำการท่องสายตรงนี้อย่าไปตามจับจิตโดยปฏิจจาระค า, า, า, านมาจับแน่ดอกคำพูดเราพูดเฉยมาตามดูจิตตามดูจิตเอาดูตรงไหนมันตามดูตรนมันคิดเป็นลวงดวเลยลอยเพลื่อนความไปหมดเต็มเท่าบ้าจิตเป็นลวงตัวันป่าตามดูกิตสมัยหนึ่งไปสมุติว่า ดวงอย่งนั้นดวงนี้ขึ้นมาดวงคืออะไรที่เราเราหลับใจมันเป็นลิมิตนั่นมันเป็นโลกขั้นนี้เป็นสิ่งที่เราสมมติขึ้นมาสมมุติว่าคือะไรคือสัญญามันสมมุติเข้ามาสมมุติเป็นเดี๋ยวดามันก็สมมุติเป็นเดียวนี้แหละสมมุติเป็นอิฐเป็นโรมเป็นเปลืเป็นสาระเราเป็นอะไรเราสมมุติให้เป็นเดียวนี้เพราะสีเหล่นั้นเป็นสัญญามันขึ้นมาป็นสัญญาเนี่ยมันจะพาเราต้องลอยไปผิดช่องผิดทางนะ เรื่องหล่านี้ถ้าไม่เข้าใจผิดนะนำผิดกรรมจะผิแต่มันก็เป็นคพูดที่ฟังได้ย้สำหรับคนที่เข้าใจนะ <Okay. S 1> แต่สำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยผมไปวาดอารมณ์ภาพชรพภาคชนะตามนั่นแหละไม่ได้อยู่กับอารมปัจจุบันสมถะก็ไม่ได้มีปัสนาก็ไม่ได้ น, นมมนเข้าวิปัสสาวปัสสนาฆเคเชื่อมไปเลยเพราะทั้งที่อารมณ์ของสัญญาเราสร้างขึ้นเอง สร้างสัญญากับสิ่งที่น่าเกลีย น, น้ากลัวหลงเองกลัวเองหลงเองกลัวเองนึกตัวเราหลงกับสัญญาที่เราสร้างขึ้นมาเองเราหลงเองมันนับภาวนาทําไมตั้งใจไม่มีความหนักแน่นพอเราไปป่าไปเขานเราไปนั่งสร้างแบบนั้นนี่กลัวได้กลัวได้หรือวมาทาได้ปเปิดได้ถ้าหน้าไม่ทัททนถ้าทันมันนั่นคือสร้างสัญญาที่เป็นธรรม เกตนาติธรรมแท้เข้าไปเราใช้คาว่าเกีตนาเกียตนามันจะ่มีอยูไหนมันมันรู้สึกตัวขึ้นมาันทีมันประกอบด้วยเกตนาความตรงใจความ รับความขงกล้คุบัญญาน้ถืว่าธรมชาเนีเป็นกาลังให้ให้กับจิตเราฝึกให้จิตได้รับความสงบถือว่าให้กาลังกจิตในระหว่างที่เราไปพิจารณาน้นพิจารณานี้เหมือนกับว่าเราไปฝันของหมิ่นหรือฝันฝันไปฝันมาปันมาฝันไปมีขมคงกระถือดันกระถือด้นแล้วกำลังขวนขวนคงท่านบอกว่าพั การพิจารณามาทำจิตพได้รณ์วาสมุเหมือนระเบิดเรามารับมือให้คงนะเพราะแล้วใต้กำลังก็จิตต้กำการของพอพเร า, า น, น, า น, นพิจารณาเมั่อกีงชัดเจนยิ่งแจมากขึ้นชัดเจนยิ จ, จ, จม า, จจจมากมขึ้นเราะอิทิมันคงเราก็สามารถจะไังไงาขาดได้ง่ยอย่าลืมลีเาป็นตรงนีน้อย่าไปาทิ้นคาที่ผูบาทานสอน วางันว่างมาเยอะแล้วก็หลงหลงไปตามคำพูดของเขาทำไมเขาที้งคำหลักของผู้บัญชาไมได้สิ่งนี้ผู้บัญชาหนังตาลูกปู่สาวผูมั่นหนังตาท่านพ้นไปหมดแล้วท่านใช้สิ่งนี้แล้วท่านก็เอาคำเหล่านี้มาสอนเราจะเป็นใครดีเกินท่านเขาทิ้ไม่ได้เอาทิ้งหลังองท่านได้ดูีคนที่ท่านเป็นจักรยานนะเราเอาอะไรเป็นจักนั้นได้ ถ้าเราไม่เอาผลที่ท่านทำมันสาเร็จเสร็จสิน้นลงไปแล้วท่านผ่านแล้วท่านทานี้ท่านสามารถผ่านไปแล้วด้วยวิธีอย่างนี้กับคนที่พูดก็เห็นที่ตอกติดใจแต่ว่ามีอะไรเป็นไปจากพยานรับประกันเราว่าผ่านแล้วก็นแล้วการยินดีในการฟังการดูการอ่านการเอาเป็นข้อคิดกันนนเอเอาเป็นวิบาเครื่องสกิดสกิดใจเป็นเครื่อง เะเบียงความรู้ความเข้าใจทหลังทุ่งหลังทิดหลังที่หลังจะเริ่ทิฏฐาทิฏฐาแล้วไปทิฏฐ์มาพาให้ท่าได้ตอนนี้พาให้หมากำลังใจพาให้ท่าใจทักษะให้เรามั่นใ้ง่ายไม่ให้มันจับสนิทบอกว่าทำให้สมองก็ใสมุกดีจริงไม่ต้องไปลองเียสงสัยพิจารณานพิจารณาดูพอมันกินมามีน้ำหนั มอตพิจารณานาได้ราไหมให้มาพีนาการแยกกันอย่างอาการทสองมไล่เรไปย่อาบิน้าออนมาเร่งแจ็คอราไปการแยกๆอันนี้หรืเปลี่ยนแยกๆใครๆเขาจ่ายทำไมความรหุ่มมารดูของกลางของมันพอเราหมดสงสัยในของกลางนของของกลางอ่น่อมือของเรานี่มันไม่กล้ามาเราขโมยไม่กล้ามาเรานี่ของใครขโมยมานี่ อยู่นี่และใครเอามาลงมาทักเัานั้นมันไม่มีใครกล้ามาเราขมวดเืองอัเชโมกนครับตอนที่เรายังไม่รู้ของกลางนีหมันลงมันซุกตัวไหนมันเข้ามาไปแล้วพิจารณาสุภาพพิจารณาจนเห็นว่าไม่มีสาระที่มีแกนสาอะไรเราลุกเราไม่ใจพวเราเราไม่ใจตัวมันเองมันก็เลนหายไปเลยลมันไม่กล้าโผลมาทักไหน นันเป็นผมนั้นเป็นก้อนนั้นเป็นเล็บเป็นฟันเป็นนําอั้นก็ถ้าเทวะนั้นนั้นก็ถ้บเทวะเป็นนั้นนั้นกระ้าเทวะเป็นอินนั้นก็ถ้าเทวะเป็นน้ำถ้าเทวะเป็นลมไปไปที่ว่าชอบที่สุดครับที่สุดชอบตรงไหนมันเรานั้นกไปติดูนตรงนี้ปติดูนตรงนั้นข้อเป็นน้ำเป็นเรื่อเป็นเอเป็นสระดูกเวลามันบุบพังเปื่อยเน่าไปเป็นไงก็มาตดูให้นอนมาเจาะมาชอนมาใช้ยุ้เยเน่าเปย สีเหลือีสเคียวสีแดงสีดำสีข้ามข้ามสีอะไรแล้วแต่จะเป็นออกมาตํางาต้องเปลียนไปดูี่จจะเ ป, เป็นจะตายจะขัดใจตายอักลิ่นนี่พอเราพู้ใช้ถึีเล้มันไม่กล้าโผนะครับเจ้าของไม่กล้าโผมันไม่กลาโผ ร, รับน้องเรามาติที่ไฟรูปหลังไจักปัาหลัานโดนชักเกนนี้เนี้เยมันไม่กล้าโผ ร, รับ อ, บอบะบรบกกไม ร, ะรมารับอะไร ก็คำที่ว่ามันาทับมาทํามาทัามาทับมาัคันเข่าทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ร้องจริงพอมาคลี่คลายของจริงเข้ามันไม่กล้าโผมาได้ายไปไหนก็ไม่รู้แหละายหน้ายตาถูกลบเลือนหายไปเลยแต่ตัวเจ้าตัวเของมันมีเราผู้ถึงขอของมันคือในจจิตของเราและมีความในใจของเรามันคอยจะโผล่โผล่มาเอาโน้นเ่านี้ นักตัวข้ามานพบข้ามานะักพเข้ามนได้เข้ามนแล้วาาล้าตัวอะไรขามนอู้สวยผิวของเกิดรักกรรมกินดีอะไรขึกก้นมาใช่หรือเปลาาวันเส็เมืเเอ่อเสเรารูมไหมเรดูว่าความเป็นจริงแทเง้เป็นไหนเป็นังั้นหรือเปล่าไม่เป็นถ้าเป็นตามลักความเป็นจริง แ, แล้วก็คือเพ ร, ะพระเาะเขาเะละอยู่แล้วดูตรงที่ว่ามันชอบบางบาสวยบ้างนะ มารับชอบกับมันจริงๆเดูไม่ชัดเจนกับมันอิดพิจารณาแยกแยกคัดดูให้เห็นของจริงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เการเห็นสมมติให้เห็นเห็นที่เป็นสภาพความเป็นจริงของมันความเป็นจริงของมันคืออันนี้อะนนี้อะนนี้อันนี้หนอนน่นจะเห็นกับกนนะดูหนังครัเห็นสับได้ว่าเป็นหนังดูเองดูกระดูกับได้ว่าเองจับได้ว่ากระดูกจ้อย่าง ใจแจ๊กใจปัจจัยส่วนใหญ่ที่มันมาเกาะเดี๋ยวมาเกาะคุกคามอะไรกันมาใจแจ๊กไปไหนไปไะไรมาอะไรมาสักที่แค่ไหให้มันมีความเข้าใจในขณะเดียวกนล้วเราค่อยดูเจ้าของมันตรงกั้วกันมันก็มาขัดแย้มันก็มาเถียงกับเราเถียงเอาเป็นของมันโอเคเลยแม้เมื่อเราทําตั้งหมดทั้งใจ ใช้สติใช้ปัญญาใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาพิจารณาอยู่น mm. ี้จิต enfin มันจะไปไหนจิตมันก็อยู่รวมกันอยู่อะนี้นะมันจะไปไหนไหนไหนที่เราทำอย่างนี้จิตมันก็ออกไปทําู่นที่นู้นู้มันเกินไปไม่ได้ในเมื่อเราไม่ส่งไปอยู่ตรงนี้อยู่เฉพาะนามชัดเจนตรงนี้ชัดเจนตรงไหนก็คือจิตก็อยู่ตรงนั้นแหละมันไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นทักที่ให้ว่าสติเป็นตัวยึดโยม เพราะสติมันเป็นตัวกระตุกเป็นตัวเป็นจิตเข้ามาให่อยู่โยกปัจจุบันจำเพร้อมหน้าทํามะที่เห็นปัจจุบันจำเพาะหน้าทำไมทําไมท่านเรียว่าปัจจุบันปัจจุบันเพราะรู้เห็นทันในปัจจุบันจำเพร้อะหน้าเกิดจะแทรกไหมครับถ้าเรารู้เห็นปัจจุบันใกล้ตาเห็นมแสดงว่าแทกปแล้ปัจจุบันใกล้ตาเพราะแสดงว่าแทรกไแล้วต้องอยู่กับปัจจุบันทันตาทันดวงเลย ขณะนี้เละตอนนี้เนนดี๋ยนี้ขณะนี้ปัจจุบันสดๆตอน น, อ น, นี้รู้สึกตัวทุกอย่างอยู่เฉพาะตอนตอนนี้ตรง น, นีนนนนออน้เราทำความรู้สึกเพรง่อยู่เลยเป็นยังไงเราเรา ม, มความสศกอะไรบ้างเลยบอกมากครจ่องชั่มงเป็นช่วมง เมื่อไหา่แรงโมเมนต์แทรกเข้ามาว่มันจะิ่มจพออิ่พอแล้วมันไม่ไปอยู่กับเนื้อตัวนี้ปล่อยที่ปล่อยมันไม่ไปมันอิ่มันเยอดมนเนื้อตัวมันหนักมันแน่นมันนึกละไปลึกมันแข็งแรงมันมั่นคงมันเหมือนกับว่าพายุแรงกนาดไหนไม่สามารถมาพัดพายุอะไรรอนอะไรไปเลยมันมันมั่นใจนี่เรีว่าความตั้งมั่น ความตั้งมั่นมันเป็นที่สิบเพราะฉะนันามีความตั้งมั่นคือมีสมาธิอยู่ที่สิบมีสมาธิอยู่กับเรื่องักฐานถึงเราจะปล่อยเันกไม่ไปไม่อยู่ในท่าที่ที่เราจะต้องมาพอดีกับคำของสติอะไรมันก็ไม่ไปถึงไปมันก็ไปแต่รู้สึกรู้สึกไปไปแต่ว่ารู้รู้สึกทันแต่มื่ความรู้สึกอยูที่นี่มันจะไปรู้อะไรที่ไหนก็ตาแต่รู้สึกอยู่ที่นี่ สึกตัวโก ร, ร้อนอยู่ที่ดังจะมาเรารทับะไรไม่มีปืนปน้นไม่มีอะไรไปรับฟังใสงบมาคิดมาตั้งพิจ า, า, ารณาไปเลยที่้าทาที่โนดูเรีนาเนี่ยดูพิจารณาไว้ใส่ดูพิจารณาดีคอยอยกของมันจะคอยแทรกเข้ า, าระดับคือตัวตัณหามันคอยจะคอยาราอัเป็นมันมันเจ็บวันปวดถ้าเราปล่อยมันก็จะแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาบ้าเอมันแต่ถ้าเราเจาะลุ สมาธิเราดีสติเราดีสมาชัญญยเราดีสมาธิเราตั้งมั่นดีทีดูด้วยปัญญามื่ยความรู้รู้ตัวเรา พ, พร้อมรือเราไม่อนนิดนึ่มันไม่มีช่องแทรกเข้ามามันจะแทกเข้ามา้ ความเครื่องอเครื่องนอนุกิ็กามานทวานะวัทิ่ถานนวัอวิชาสวร กาีิดเพื่อนความที่ความเห็นที่มันเกิดขึ้นจากที่เพื่ยมันเกิดขันปันแต่ให้เราเข้าใจกรรมเป็นยุนชัยทติดยชัที่ผิคือไ ม, ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจตามหลักธอรมชาติที่เป็นจริงรู้แบบจอมปลอมรู้แบบเสษรันปั้นแต่เราไม่ใช่ขอามแท้ของมจริงที่ศา<อ>ความของเาไม่นมันบางและติดบางเป็นยาขงเรนื่องจากเราไม่เคย้มน เราลองต่อเข้ามาเลวิชาขาวิชาเขวิชาเรารียวิชาส่วนใหญแล้วก็มาเรียนวิชาส่วนใหญ่ที่เป็นประจําขนาดที่เขาสอนดูใน้ดูเองในะที่มันเปิอเลือดเส้เดี่ยวน่ะวิชาจุดเลือดเส้นเข้ามาแล้วรับมันแฉกเขมามาวิชาแค่เส้นของมะรุมทงตัวคลิปเส้นเดี่ยวน่ะพจิตไปผิดทางคิเ้นดียวน่พาจิตไปถูกทาง เพราะทิ้ไปทิ้งม่มีอวิชชาที่มีประจักจพที่อวิชชาที่เป็นรากเห่าพื้นเป็นผื้เป็นพ้นของเครืองรองอ่เป็นรากเป็นเห่าเป็นตัวโจกงแก้วเลยทีเดียวอันนี้มันเกิดขึ้นมาพร้อมกันอเรารู้บุคจริงๆว่าอวิชชาอวิชชาทำไไไปไล่ไปไล่ไปไล่ไปไปไปไล่ล่ล่ไปไล่ไปไล่่ไี่เป็น่ปป สิ่งเล่านี้นต้องส่ความระมัดระวังศักยภานความตัองอ้งไว้ลมของปีไมาแล้วไม่ไม่ถอนถ้าถอนก็จะไม่ถราบุตรปีคือความสุกความเกลือที่้าวอนแน่น้ำเท่า่ อ, อนคืออาศัยทำยังไงก็ได้ปัญญาข้างในที่เราผู้ถึงกับปัญญาข้างนอกจิตต่างกันว่าปัญญาข้างนอกเราเรียนในา ก, ากมุรู้ในดาชมุกเข้าใจในดาช แต่ัญญาปัญญาทังหลายเราต้องหลัที่ไม่เกียวกับสมุถ้ามันอยู่มันของที่มันก็เป็นวิมุตไปทั้งหมดเลยนอกจากเราได้เป็นบางสิ่งบานอย่างมันก็วิมุตเป็นบางสิ่งบางอย่างในเมื่อเรารู้เราเข้าใจเข้าถึงจิตถึงใจทั้งหมดอันมันก็เป็นวิมุตทั้งหมดพนปัญาที่ที่กี่มันเสกขันั้นแ่นเป็นกระลาหน้า้องมันก็ให้เกยทสิ่งสงสิ่งถ้าเป็นกระลามหน้าห้องมันคือบีใจเสียใจนันเอง แต่ถ้าไม่ใช่จัง ต, ตามาเข้ามาคือสัพพบปุสสกละที่ใจเห็นว่าดีเลยดีเลยเห็นว่าไม่ดีเลยไม่ดีใจไม่ได้ดีไปด้วยใจไม่ได้เียไปด้วยใจของที่ในั่นคือมโนอาผมเที่อกลอนมาเป็นของทุทธะทขาโถมใจทใศนศีลที่ดีพอรู้ภาวะที่เป็นขันไม่หมดเป็ดอนัตตาทั้งหมดไม่ใช่รู้กังศีงทีนเสดละตั้งแต่ของอินเเป็นมุขกันั้หม ที่ผมควบุมควมตัวมันเองมันหายไหมมันเป็นมหาจุที่เข้าปากไปหมดนะมันไม่กล้ามามามาโตเรียนนอนมาเป็นตัวของมันมาเป็นของของมันอ่เดี๋ยวนี้มันคอยแอบมากระชิบกระซ้าอยู่เรื่อยเราหลงเฟื่องไปกับมันหองเล่ากับมันหองรักไปกมันหลงชังปกมันหองโกรธไปกับมันหองเปลี่ยนไปกมันมหะทวัส หาาคพยาบาลอะไรอะไรโง่ไปตามน่ะองมานทั้งนั้นนิชาโง่เลียวโง่เพราะโง่มรู้ถูกดึไปลาไปหรือฝังหลงหลงหโง่หรือมีกลสเดียวมันถ้าฉลาดมันก็ไม่หลงถ้าหลงก็ฉลาดไม่ฉลาดก็โง e <the> ่ถ้าฉลาดก็ไม่โง่ไม่หลงไม่เกเรไม่รูู้่ไปหลงเอาไนไม่รู้เป็นเกเรตอน มันมีอะไรมันรอเราห้เราต้องหลงต้องเพลินไปกับมันแต่ถ้ า, ายัางไม่เข้าใจนี่สิ่งที่มันวางเกิดขับักแง น, น้นล่อให้เราติงตามมา น, น, านั้นเราสนใจนั้นเข้าใที่จะติดตามเัมามันมันล่อเองมันก็ไม่ดแล้วเขาล่อเพื่ไปนับเดือตามันนับแรกิด ท, ทิ่ที่ติดกับตึงกรอบขึ้นมานับไปติดไปตึงไปน เราดุษฎีตรงนี้ทำไมเราจะรู้จักเราเข้าใจทำไมเราจะเปลื่นนั่นเปนตัวทำไมเราจะฉลาดทำไเราจะรู้จักท่านพัฒนาจิตของเราไหมงาที่เราจะจิตมันได้รับความสงบได้รับความร้องคได้รับความปอดใจเวลาจิดมันโกรธเวลาจิดมันโกรธเราไม่จับอารมณ์โกรธ มีสติรู้ทันโอนจิตโกรธในขณะที่เรารู้มันโกรธแล้มันก็ดับไปล้มันดับแล้วถ้าหากมันยังเหลือมันก็ยังเหลือส่วนที่เป็นกายเพราะว่ากายมันเปลี่ยนชาติกายความมันดัของจิตมันก็มีอะไรไมอย่างความโกรธมันโกรธขึ้นมาให้การทำใเรื่องขึ้นหน้าอะไรความผูก ความคิดของหัวใจไม่ใช่แตกต่างจากของปกติมันเป็นอารมณ์ที่มาประตุกหัวใจทีสู่ที่ฉี่มันผิดตปกติแต่ถ้าเรารู้ผ่านภาพนี้ภายในจิตมันกระดับแต่ว่าในกายมันอยู่เพราะกายมันเกิดช้ามันกระดับช้ามันเกิดช้ามันกระดับช้าเรารู้ทัองท่านนี้มันยังองอยู่เนี่ยเราต้องรู้ที่ความรักต่างความโกรธต่างจะทำเกิดขึ้นในจิตเราต้องต้องหลัก ก็มาดูอาการของมันก็คนตัวการของมันม so, ันยังอยู so, ่ไหมมันยังอยู่ให so, ้เราดูให้เราเห็นไหมเห็นเจอรอยมันไหเพราะอะไรเพราะตัวเย็นชัดมันมาประกบกันแล้วมันมาประกบกันแต่วไอ้ตัวลมหายาจแล้วท่านท่านจริงันอยู่ปัจจุบันเขาปัจจุบันสามารถตัดตัดให้มันหายได้มันมันไม่สามารถโผล่ไม่มาอีกได้ท่านจรงให้ปฏิบันถ้าได้ปัจจุบันนี้จได้ปัจจุบันบ่อยๆเราจะได้กาลังใช้เยอะมันใช้มาก มันเพื่อความอุสาพยายามเพื่อความภาคภูมิเนื่องจากว่ามันเห็นคนและคนอันนี้ไม่ใช่สักเพราะวนาคนเฉยนะ้วมันจะทำให้กายของเราทําให้กินของเราทำให้อะไรเราต่ออะไรเรามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจีกคนหนึ่งไปเป็นจคนหนึ่งได้เห็นได้เราอยากได้อย่างดีต้องตั้ใจเรานะคนใจ